ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลมโพธิญาณในวันนี้คงพูดเรื่องสัมมาสติในตอนที่ว่าด้วยธรรมานุปัสสนสติปัฏฐานในช่วงต่อไปคือวันก่อนได้พูดถึงเรื่องอายตนะประคือหมวดที่ว่าด้วยอายตนะ โดยสรงสอนให้มองเห็นว่ายามที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมก ล, ล, ลิ่นลิ้นเลียมรัดกายถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งและใจเหนียวนึกจุดนึกถึงอารมณ์ว่าถ้าสัญญาติประการข้อใดข้อหนึ่งบางเกิดขึ้นก็ให้รู้ตามความเป็นจริงแล้วก็สัโยชน์เหล่านั้นน่ะข้อใดก็ข้อใดก็ดดตามที่ยังไม่เกิดมันเกิดขึ้นโดยประการใดก็ให้รู้ สังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยสามารถจะดับไปโดยวิธีใดก็ให้รู้เดสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วจะดับไปโดยไม่ให้เกิดขึ้นมาอีกโดยวิธีใดก็ให้รู้ผมหมาถึงไม่ให้เกิดขึ้นอีกนี่มันต้องมือระดับพระอริยบุคคลเท่านั้นสังมัญชนเราทั่วไปเนี่ยอาจจะทําได้เป็นจุดๆโดยใสยพลังศรัทธาจนเราเชื่อมั่นในเรื่องบาปบุญคุณโทษเนี่ยอย่างการเป็นชาวพุทธเราเนี่ย ถ้าเราเชื่อมั่นในพยานสามข้อของพระพุทธเจ้าได้เนี่ยมันจะแกว้งตัวไปได้เรื่อยเยอะไปหมดเลยคือเชื่อในปุเพนวาสานุยานของพระพุทธเจ้าจุตูปปาตยานอสวรกขยานเพราะอะไรเพราะว่าธรรมะระดับโลกียธรรมเขาเรียกว่าวัตรกรรมีกุศลคือกุศลที่ยังเป็นเหตุให้หมุนวนอยู่ในสังสารวัฏเนี่ย เรื่องหลักสังสารวัตรก็เรื่องกรรมนี่เป็นตัวการสําคัญมากที่จะเปลี่ยนแปลงพวกชาติของบุคคลให้มีความประณีตหยาบกลางอย่างไรก็ตามมันขึ้นอยู่กับกรรมที่นําไปสู่สังสารวัตรถึงหมายความถ้ากิเลสมากกรรมมก็หยาบสังสารวัตรก็หยาบกิเลสน้อยกรรมมัก็ประณีตสังสารวัตรก็ประณีตตามเกิดไป ทีนี้ถ้าเรามองผลถึงสูงสุดการหลุดพ้นจากสังสารแะทุกอย่างแท้จริงก็เชื่อมั่นในอาสวะขยานคือประยาที่ทรงทำอาสวะกิเลสให้หมดไปสิ้นไปจากภัยนียว่าจะทำให้อาสวะหมดไปอย่างสิ้นเชิงดังที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าและพระหันตั้งหลาย แต่ว่าการที่จะให้หมดเนี่ยมันมันเป็นไปได้ยากเพราะว่าลึกขึ้นไปเนี่ยบางทีมันก็าอาจจะไม่สงสัยในจุดหนึ่งแต่สงสัยในจุดหนึ่งแล้วก็มีอยู่บ่อยๆ บ, บางทีพวกนักบวชทงางศาสนานี่ก็ยังแกล้งในเรื่องประคุณของพระพุทธเจา้าเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ยากจะยังได้ลึกซึ้งก็ถึงแก่นแท้ของประพุทธคุณได้จริงๆ วันนี้จะได้พูดในอีกชุดหนึ่งคือพุทธชงกัะปะพัชงกะปะพัชพะนะครับคือหมวดที่ว่าด้วยสามโพชทชงเจ็ดประการธรรมะคือสามโพุทธชงนั้นเป็นธรรมะที่มีความเป็นมาค่อนข้างยิ่งใหญ่ในตํานานพระพุทธมนต์นะพวกเจ็ดตำนานสิบสองตำนานเนี่ยพุทธชงก็อยู่ในพวกเจ็ดตำนานคือตานานทั้งเจ็ดที่มีความเป็นมายิ่งใหญ่ คือสามารถจะใช้ไปในเชิงที่เป็นปริตานุภาพอนุภาพแห่งพระปริตอนุภาพแห่งพระพุทธมนต์ก็เรียกว่าพุทธานุภาพธรรมานุภาพจังรานุภาพแล้วค่อนกลางๆ้างไปทางดลบรันรดาลประสิทธิศาสตร์ได้เกิดผลโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็คือเกี่ยวกับโรคเพราะมีประวัติความเป็นมาว่าคราหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงประชวร ก็รับสั่งให้ประจุนทะุนิสาธยายโพชงเจ็ดประการพระเจ้าก็ทรงหายจากประสวนประมากัจปากับประมาโมคะลานะอาพาธพระเจ้าเสด็จไปโปรดแล้ก็เทศโพชงทั้งเจ็ดประการในฟังเนี่ยท่านก็หายจากอาพาธปัจจุบันก็ยังเป็นบทสวดในพิธีมงคลที่เราเรียกว่าเจริยประพุทตมงคลนะครั ย่าต้องสวดพุทธชงตลอดแต่ว่าเป็นธรรมะระดับนําคือระดับโพเิปะคียาธรรมพวกกลุ่มโพเทปะเกียธรรมเป็นธรรมะปฏิบัติก็ระดับของจิตสิกขากับปัญญาสิกขาคือศีลสิกขานั้นละไว้โดยฐานที่เข้าใจกันเอจิตเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าสีนสิกขาไม่มีปัญหาอะไรแล้ว เราเรียนมาที่เราพูดมาโดยลําดับเผื่สังเกตว่า น, นิวรเนี่ยเป็นพวกกิเลสพวกอยายตนะเนี่ยมันเป็นพวกกลางๆคือไม่ดีไม่ชั่วแต่ว่าก็มองไปที่ตัวกิเลสคือพวกสังโยชน์แล้วตัวขันห้าเนี่ยมันเป็น่างกลางๆเป็นไวแต่สังขารขันนะฮะซึ่งมีกิเลสอยู่ด้วย แต่มองในแง่ของสถานภาพการเกิดและการดับคือไม่ได้มองสืบสาวในรายละเอียดผมมาถึงพวตชงนั้นก็ส่งสอนให้มองอีกแนวหนึ่งนะข้อความในตอนต้นรับสั่งว่าูุคคลภิกษุตั้งหลายเขาอื่นยังมีอยู่อี่ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือพวชชงแปลว่าองค์ธรรมที่จะนำ บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติให้สัสรูธรรมตามเสด็จรออยู่คนบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้า 9. บางทีเราก็แปลงง่ายๆว่าองค์แห่งปัญญาเป็นเครื่องสัสรู้เจ็ดอย่างเวลาเรียกเต็มที่เนี่ยทัานจะใช้คำเต็มนะสติสัมโพชง แทนทีจะเรียกสติเฉยๆนี่เรียกว่าสติสัมโพชฌงคธรรมวิจยะสัมโพชฌ ง, งค์วิริยะสัมโพชฌงค์จะเรียกเต็มอย่างไงพิสูจน์ทั้งหลายก็อย่างไรพิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือโพชฌงค์เจ็ดประการถุกคนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมีในนี้อันหนึ่งเมื่อสติสัมโพชฌงคือองค์แห่งปัญญาเครื่องสัรูม ค, คือสติมีอยู่นาภายในจิต ก็รู้ชัดว่าสติสัมโพชฌงค์มีอยู่หนภายในจิตของเรานี่ประเด็นแรกนะฮะประเด็นที่สองเมื่อสติสัมโพชฌงค์ไม่มีอยู่ภายในจิตก็ให้รู้ประเด็นที่สมก็ย่อมรู้ชัดว่าสติสัมโพชฌงค์ไม่มีหนภายในจิตของเราอันหนึ่งความที่สติสัมโพชฌงค์อันยังไม่บังเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดด้วยประการนั้นนี่คือประเด็นที่สประเด็นที่4ก็คือว่า ความเจริญบริบูรณ์ของสติสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดด้วยประการนั้นคือธรรมะกลุ่มนี้เขาเรียกว่ากลุ่มภาวนาก็คือกลุ่มอริยมรรคนั่นเองแหละก็ไม่มีอะไรเราจะเห็นว่าเอาก็จริงก็คือสัมมาสังกัปปะไม่ใช่สมาทิฏิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินะฮะมากกว่าห้าข้ออริยมรรคหาองค์ แต่อีกสาองค์นั้นก็มีอยู่แล้วก็ถือว่ามีอยู่แล้วประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าศึกษาทำความเข้าใจในรายละเอียดนะเพราะตามปกติแล้วเราก็ไม่ค่อยเจาะรายละเอียดเท่าไหร่เป็นธรรมปฏิบัติระดับศีลธรรมจัญญยายก็ได้นะระดับหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าเราใช้ได้สักสิบเปอร์เซ็นก็บุญแล้ว แต่ละข้อแต่ละข้อที่ทรงแสดงเอาไว้มันเป็นธรรมะที่นำไปสู่มรรคนิพพานแต่ถ้าหากว่าเราสามารถน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติได้สักสิบปอเซ็นน ก, ก็ดีโขนะฮะแต่ว่าจะทำได้หรือเปล่าเท่านั้นพระตถาจารย์ได้อธิบายขยายความถึงสติสัโพธชงที่ยังไม่เกิด สติสำโบฉงเป็นต้นนะฮะที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดก็รู้ชั ด, ด้วยประการ น, ะนั้นก่อนหน่งควรมองตัวสติซะก่อนสติแปลว่าธรรมชาติที่ซ้อนไปในอารมณ์คือแล่นไปในอารมณ์ทั้งหลายมันอยู่ด้วยอดีตอนาคตปัจจุบันเพราะฉะถ้าเรามองถึงการใช้สติจริงๆคือก่อนจะทําก่อนจะพูดก่อนจะคิดเนี่ยต้องระลึกได้ ว่าจะทำอะไรจะพูดอะไรจะคิดอะไรแล้วในขณะทำขณะพูดขณะคิดเนี่ยก็รู้ว่าขณะเนี้ยเรากำลังทำกำลังพูดกำลังคิดอย่างนั้นอย่างนั้นดูเป็นอาการ ล, ลึกเท่าทันในปัจจุบันนะขณะแล้วเมื่อหลังจากทำพูดคิดไปแล้วก็รู้ว่าเราได้ทำได้พูดได้คิดไปแล้วอย่างนั้นผลจ ต, ตกิเกิดขึ้นได้สามช่วงอย่างนี้ โอกาสที่จะเผลอเร้อพลั้งพลาดลงลืมเลอะเลือนเมื่อยลอยเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นทีนี้ตัวสติตัวตัวมีปัญหากับสตินี่คือสติสัมโมสาแปลว่าความความหลงลืมความเลอะเลือนความเผลอเรอความพลั้งพลาดความไม่จดจ่ออยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึง่งเพราะาคนเราเนีสติมีแต่ขาดไม่ที่เกินนะ่ะสติมีแต่ขาด เพราะสติขาดมากๆเพราะเลยสติวิปลาดคือขาดสติไปเลยก็กลายเป็นบ้าไปเลยสติมากเท่าไรไม่ต้องกลัวนะฮะสตินี้มากเท่าไรยิ่งดีถ้าสมบูรณ์ก็เป็นพระหานแล้วคือไม่ใช่สามัญชนและไม่มีใครมีสติสมบูรณ์เก็ต้องข้อสังเกตว่าแม้แต่ครูบาอาจารย์ระดับครูบาอาจารย์กรรมฐานเนี่ย ท่านเก่งกาดสามารถมากตอนอยังหนุ่มๆแต่พอแก่เนี่ยเอาจริงเหมือนกันนะครับสติขาดเลยนะลืมเพลอหลงลืมนึกอะไรไม่ก็ยออกนึกไต้ช้าอะไรแต่ไหนเป็นเรื่องที่น่าห่วงแล้วก็โรคหลอานี้เวลาเนี่ยมีโรคอันไซเมอร์อยู่ด้วยเป็นเรื่องที่น่ากลัว อาการแรกก็คือว่าเมื่อสติสัมพชงปรากฏอยู่ภายในจิตก็รู้นะฮะว่าสติสัมพชงเนี่ยปรากฏอยู่ภายในจิตของเราทีนี้ถ้าถ้ามีเนี่ยเราก็ประคับประคองรักษาไว้นะฮะเพราะว่าเป็นกุศลธรรมมันไม่เหมือนพวกนิวรณ์ที่จะต้องขจัดออกไปแต่สติเมื่อปรากฏเกิดขึ้นภายในจิตรู้ว่ามีสติโพชงปรากฏขึ้นภายในจิตก็ป ร, ประคับประคองรักษาไว้ให้อยู่นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ ทีนี้เมื่อสติสัมปโ ช, ชงไม่มีอยู่ภายในจิตเนี่ยย่อมรู้ชัดว่าสติสัมปโ ช, ชงไม่มีอยู่ภายในจิตของเรามันต้องพยายามสร้างแล้วทีว่าทํำยังไงสติสัมปโ ช, ชงอันยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นโดยประการใดก็รู้ชัดโดยประการนั้นอันนี้ก็วิธีสร้างก็จะพูดเฉพาะประเด็นของวิธีสร้างโปรชงแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยตามที่ท่านอธิบายขยายความไว้ เนี่ยแต่กถฐานะครับพึ่งก็หมายความว่าเป็นพุท ธ, ธาอธิบายนั่นเองเพียงแต่ว่าไม่ได้ลงไว้ในสังขายานาราจารย์ทั้งหลายท่านก็รวบรวมมาไว้อย่างที่บอกว่าคุณอุปการของครูบาอาจารย์ในอดีตเนี่ยมันอเนกอันนัน น, นนะฮะถ้าหากว่าท่านไม่รวบรวมมาเรียบเรียงไว้เราก็แย่แล้วกว่าจะหาอะไรเจอสักอย่างมันก็ยุ่ง สติสัมโพชฌงเนี่ยจะสร้างบังเกิดขึ้นเนี่ยต้องอาศัยพัฒนาสติกับสมมชัญญาคือฝึกการระลึกเนี่ยให้จดจ่อในแต่ละเรื่องจะให้เกิดเผลอเลอะ ล, ลืมพ ล, พลาดพลาดเลือเล่ อ, อนาขาดสติไปในเรื่องเหล่านั้นพราะต้องฝึกทรรมฝึกพูดฝึกคิดฝึกกินดื่มทำพูดคิดคู่แขนเหยียดแขนดิบของซักผ้า ถูพื้นอะไรแต่ไรก็ตามนะให้มีสติอยู่ตลอดกำกับตลอดฝึกให้มันชำนาญคล่องแคล่วในการใช้สติเราลึกถึงกีฬาบางอย่างเนี่ยเช่นพวกยิมนาสติกพวกอะไรแต่ไรเนี่ยพวกเล่พวกอะไรต่างๆเนี่ยเราดูสติเยอะนะพวกวิ่งต่างๆเนี่ยใช้สติเยอะพวกกระโดดจากที่สูงกระโดดน้ำอะไรแต่ไรเนี่ยแต่และอย่างเนี่ยใช้สติเยอะ มันก็เป็นการฝึกกายแต่ว่าสุขภาพจิตจะดีตามมันเป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนให้เด็กเขาหัดเล่นกันกีฬาต่างๆนะแทนที่จะมั่วสุมเสพติดกันเต้นแรงเต้นกากันอยู่ในแรงเริงรมงหลายเนี่ยเพราะว่าสถานที่เหล่านั้นมันมีแต่ทำให้เพื่อเรื่อหลืงลืมพร่งพลาดแล้วขาดสติ เราไม่เคยมีสติอยู่แล้วเนี่ยทําให้ขาดสตางไปด้วยนะทั้งเลยหมดทั้งสติทั้ง ส, ต, งสตางแล้วก็ตกเป็นทาสของสิ่งเจ็บติดต่างๆไปดื่มน้ำเม า, เาก็ไปสัมปชัญญะนั่นเป็นปัญญาแต่ว่าที่ท่านเรียกสัมปชัญญะเนี่ยเพื่อจะแสดงอาการของจิตที่มันมีความรู้ต่อเนื่องมีแสงสว่างที่ต่อเนื่องอยู่ภายในใจ คือถ้าเราแปลโดยภาษาจริงๆนะครับแปลว่าความรู้ตัวทั่วพร้อมคือรู้ทันทีทันใดเราเหยียดแขนออกไปเราจะจับถูกอะไรนี่รู้ทันทีว่าเหยียดแขนออกจับอย่างนั้นมีสติกํากับอยู่ตลอดสติสัมยัญ ญ, ญานั้นทํางานประสานกันที่สําคัญอย่างยิ่งสัมปัญญานี่ท่านจําแนกไว้หลายอย่างนะฮะแต่จะยกมาสักสี่อย่างคือหึต้องรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ ปัญญาที่มองสิ่งทั้งหลายศึกษาสิ่งทั้งหลายเนี่ยจะต้องมีความชัดเจนด้วยจิตของเราว่าสิ่งนั้นมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์แล้วต้องรู้ทันในแต่ละขณะเช่นเดนเดินผ่านในที่ไดที่นึิได้กลิ่นเข้ามาเนี่ยสะดุดกึกทันทีนี้ต้องวินิจฉัยทันทีได้ควรจะปฏิบัติเป็นอยังไงมีสลาดฉเฉลียวมีไว้พิ ป, ปฏิภาน มีการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเนี่ยได้ในเวลาที่รวดเร็ววัญหาติสัญญัญญาเป็นเรื่องต้องฝึกทั้งสองอย่างถ้าไม่ฝึกเราก็เอาไมา่ค่อยอยู่ประการที่สองนั้นต้องแยกได้ว่าสถานที่ใดควรไปหรือไม่ควรไปแล้วเรียกว่าโครจรสัมปชัญญะโครจรก็คือสถานที่ที่เที่ยวไปเป็นการไปอยู่ไปกินไปเที่ยวในสถานต่างๆนี่ ยังฟางพวกแห่งเริงรมต่างๆเนี่ยมันเ น, น, นือเพือชดเป็นฉันจะให้คนไปอยู่เริงรมได้ยังไงตั้งแต่ตี4ีไม่กินไม่นอนกันมั่งเลยยังไงตื่นเช้านี่มาทำอะไรกันไม่ทำงานทำการได้ยังไงแล้วก็เด็กอายุสิบแปดเนี่ยเขายังไม่ถือว่าบรรลุนิติภาวะนะมีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ยังไม่ได้รักเกณ์ทหารเนะี่ย ไปเรียกร้องให้เด็กอายุสิบปดข้าวได้แล้วให้เปิดขยายเวลาไปถึงตี4ี่บางล้วน่าเกลียดมากเลยไม่ได้คิดว่าสังคมนี้จำเป็นที่จะต้องอยู่อย่างมีกฎเกณฑ์มีระเบียบแล้วคนอื่นเขาก็ต้องพักของอเขาไม่ใช่ว่าตัวเองจะต้นแรงตดการสนุกสนานยังไงโดยไม่คำนึงถึงคนอื่นคือสถานที่นี้เป็นอักขจรจนคือไม่ควรจะไป ก็ไปแล้วไม่ได้สาระประโยชน์อะไรมันมีแต่เพิ่มภูมิความเสียหายสุขภาพกายสุขภาพจิตภัยอันตรายต่างๆโรคร้ายตามตอนนี้ท่านบอกว่าไม่ควรไปทีนี้บางทีเนี่ยมันเรื่องความคิดเนี่ยเรื่องควรคิดหรือไม่ควรคิดบางเรื่องก็ไม่ควรคิดมันเพื่อรักษาจิตของเราไว้ให้อยู่ในจุดที่ควรจะอยู่อย่าจิตมันดิ้นพลั้นซัดสาย ไปในอารมณ์ต่างๆมากเกินไปอย่างหนึ่งก็คื อ, อก็เรียกว่าสัปปายะสัมปสัญญาคือรู้อะไรเป็นที่สบายหรือไม่เป็นที่สบายเช่นเินยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเรียบบทใดเป็นที่สบายของเราก็ปรับเรียาบทให้สม่ำเสมออย่าใช้เรียบบทอะไรมากเกินไปคนเราส่วนใหญ่นอนกับนั่งในชักจะมากไปหน่อย บางทีงานการที่เราต้องทำเนี่ยมันเยอะนะะมันก็ต้องนั่งอย่างบางทีเนี่ยจะมาอย่างนึกว่าเราเดินเราเดินทางไปอบรมที่ต่องอางจังหวัดเนี่ยไปพูดสองสามชั่วโมงนั่งรถไปไปตักสามชั่วโมงกว่ากราบสามชั่วโมงกว่าก็นั่งกไปตั้งสิบกว่าชั่วโมงนะนะมาถึงเราต้องนั่งต่อที่กุฏิอันนี้ก็ทําให้อิริยาบถมันไม่สม่ําเสมอ อย่าบดนั่งมากเกินไปก็เรียกทํำวิยาบทให้สละสลวยคือให้มันสบายอากาศเช่นไรที่เรียกว่าพอดีเราอยู่ทำกลางบรรยากาศที่มีความสบายพอดีอากาศไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปหนาวก็ไม่ดีนะฮะร้อนก็ไม่ดีอะไรมันก็พอดีพอดีมันอยู่ในหลักข้อมัธยมเท่านั้นอาหารเช่นไรที่รับประทานไปแล้วสบาย มันคือกูลต่อการทําจิตใจของเราให้สงบอารมณ์คือธรรมะข้อใดที่เราปฏิบัติแล้วสบายแล้วก็บุคคลที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องก็หาเป็นครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนฝูงร่วมศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมกันไปเนี่ยเอคนจะใดเป็นที่สบายคบคนจะใดเป็นที่สบายก็เลือกคบคนเช่นนั้นจนสามารถขจัด เ็เรียกว่าอามโมหะสัมปชัญญะคือไม่หลงสามารถขจัดความหลงความงงงายความร้ายเหตุผลออกไปจากจิตใจได้แล้วเพื่อจะไม่ให้ถูกคนอื่นเขาดึงเหนี่ยวรั้งไปสู่ความขาดสติความเผลอเรอความหลงลืมความเลือ่อเรื่อยท่านรสอนให้เวนเ้นคบหาสมาคมกับคนที่มีสติลงลืม เดี๋ยวมันลากกันข้าวรถก็พองกันไปใหญ่คือการไม่ครบในที่นี้หมายความว่าไม่ร่วมหลักความคิดร่วมกิจกรรมอะไรกันการตรงเคราะห์นุเคราะห์นี่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่เราทํางานกับคนเหล่านี้ไม่ได้อ่ราะเดี๋ยวก็ลากกันไปเป็นอันตรายอารยวนาปัจจัยกันคบหาสมาคมนี่เป็นเรื่องที่สําคัญโดยเฉพาบางครั้งก็ลากเข้าแถวกันไปเลยทาให้เกิดภยัยเกิดอันตรายขึ้นมา แล้วก็คบคนที่เขาสติเขาเดีอ่ะเขาได้กระตุ้นเตือนเขาได้ห้ามปรามเขาเด่เนเดี่ยวร่างเขาได้บอกกล่าเขาได้ชี้นแนะอะไรให้แ ก, ก่เราบางทีก็เผอบางทีก็หลงก็ลืมอย่างคนทํางานอะไรมากๆเนี่ยบางทีก็ต้องมีที่ปรึกษาคอยกระซิบบอกคนที่รับใช้นายเนี่ยใกล้ๆกับเลขาของข้าราชการอยิ่งเลขาเนี่ยต้องรู้ดีกว่านายนะ มีความรอบรู้แตกฉานมากกว่านายเพราะว่าเวลานายเกิดสงสัยข้องใจอะไรขึ้นมาสามารถที่จะบอกได้แต่ว่าเราเอานิยมเอาคนที่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่มารับใช้อย่างเดียวนะรับใช้ดีเนี่ยที่จริงมันต้องชี้แนะบอกกล่าวแล้วก็ให้สติตักเตือนอะไรแต่ไหนได้ด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องมันเรื่องมันจะพลาดไปแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหา แล้วก็คนที่มีสติมั่นคงเนี่ยเขาหนักแน่นเขาสงบเขาเย็นแล้วก็ น, อนก้อมจิตไปในสติสัมโพชฌงค์คือมองเห็นคุณค่าของสติสัมโพชฌงค์เหนียวนึกจุดนึกไปทํำยังไงให้เรามีสติแล้วการเคลื่อนไหวในยาบททั้งหลายจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะดื่มจะทําจะพูดจะคิดจะคู่แขนเดียรแขนจะทําอะไรก็ตามนะฮะ แนวสัมปชัญญะคือหมายความว่าให้รู้เท่าทันถึงความจริงในแต่ละขณะสติกับปัญญาหรือสติกับสัมปชัญญะเนี่ยเป็นธรรมะแกนหลักแกนนำเลยทีเดียวเยอยกว่าต้องใช้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนะคนเราอาจจะขาดสตางแต่มีสติมันก็ไปได้ จะมีสตางโดยขาดสติเนี่ยก็อยู่ไม่รอดเหมือนกันเอาไม่รอดเหมือนกันวันสติท่านจึงบอกว่าเป็นธรรมะเครื่องตื่นคือปลุกให้เราตื่นตัวตื่นเต้นไม่ไม่ตื่นเต้นนะฮะเราจะเห็นว่าคนที่มีสติเนี่ยจะตื่นตัวแต่ไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นตามไม่ตื่นตูมแต่ว่าตื่นตัวคนที่ตื่นตามเนี่ยว่าขาดสติพอตื่นเต้นมันก็ขาดสติ ตื่นตูมยิ่งเลิกพูดเลยหรือไม่มีสติเลยไม่มีการยับยั้งชั่งใจไม่มีการค่้ครวญตรวจสอบปีนิ้ปีนาโดยเหตุโดยผลให้เกิดความรู้ความเข้าใจว่าอะไรมันควรจะเป็นอะไรควรประพฤติควรปฏิบัติยังไงเป็นต้นเพราะหลักการเหล่านี้เป็นการเสริมสร้างให้สติที่ยังไม่เกิดเนีย่ยมันเกิดขึ้น แล้วเมื่อเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยปริมาณของสติกขก็สูงขึ้นเพราะว่ามองในแนวเพิ่มขึ้นนะแนวภาวนาเนี่ยแปลว่าทําให้มีขึ้นทำให้เป็นขึ้นแล้วเมื่อเข้ามากเท่าไหร่เนี่ยการขาดสติหลงเลิมจติตสัมโมาหลงลืมเลือเลอเล่อนโมหะต่างๆเนี่ยมันจะลดลงไปโดยลําดับตัวธรรมะเราจะอยู่ในกลุ่มใดก็ตามเอาก็จริงแล้วต้องเข้ามาสู่กระแสของอะเรมาส์เนี่ยจึงจะเกิดผลตาม บทขบวนการของอริยสัจสีได้ั้งฝั่งทั้งหลายใต้ร่มระโพธิญาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเป็นกรนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบุ์ในธรรมจะมีแต่ท่านปุกฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี